เห็นไหมพุทธศาสนาแท้ๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาจามาไรเด็กมาทำก็ทำได้เพราะมาสู้กับอารมณ์ตัวเองคนที่เป็นออทิสติกเป็นนนเป็นนี่เป็นอะไรต่างก็มาทำได้ไอเ น, นี่ยมันเหมือนยากแต่มันไม่ยากมันไม่ยากแต่มันก็เหมือนยากไอเ น, นี่ยมันเป็นเรื่องของคนมีศรัทธาแล้วถามว่าเรามีวัตถุดิบภายในไหมที่มาปฏิบัติรมถ้ามีก็คือทำได้ ถ้าไม่มีก็ทำยากคนแก่มาทำได้ไหมก็ทำได้แต่ถ้าคนขี้เกียจมาทำโอ้ยไม่ได้แล้วบางคนจนป่านนี้ยังไม่ค่อยสร้างจังหวะเลยเนี่ยมันสอนยากถ้าคนไหนทำไม่ได้โอ้ยมันสี่มีตรีรอบสองรอบสามมันบ่มีแล้วมันก ล, กลับไปอยู่กับความคิดมันอีกแล้วพอฝึกสติได้ปุ๊บอา้าวเราเรียนรู้วิชานี้เราไปใช้ในชีวิตประจาวันตลอดเลย ทั้งโลกนี่เราเรียนคอมพิวเตอร์นานๆที่ได้ใช้เรียนวิชาอะไรนานๆที่ได้ใช้ปริญญาตรีโทเอกไปเราจะมาใช้ชีวิตใช้นิดเดียวเฉพาะทางเหมือนกับเราไปเรียนจริงๆก็คือไปเรียนแค่อะไรละ่ะพัฒนาฝีมือแรงงานก็พอแล้วไปเรียนเอาตรงนั้นน่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรวิชาหากินเนี่ยแต่สติที่ฝึกเนี่ยใช้ตลอดตั้งแต่ก้าวขาลงไปนี่ใช้แล้ว ขยับใช้ละนั่งอยู่เฉยๆก็ใช้นอนก็ได้ใช้สติใช้ตลอดแต่คนดันไม่ฝึกสตินะสิ่งที่ใช้ประจำเนี่ยดันไม่ใช้เราไปใช้เรื่องอื่นซะเงินกับสติอันไหนต้องใช้มากกว่ากันเนาสตินะใช้เงินจับใจใช้สอยบริโภคเนี่ยเราคิดว่าถ้ามีเงินก็นมีความสุขโอ้มีสติยังดีกว่ามันสติมีความจำเป็นกว่าเด้ถ้าเราจะทำเนี่ยสำคัญ